ห้าสิบเก้านิโอห้าสิบที่ทำการไปรษณีย์โพสตฮาสที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนที่ไหน ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมตู้้ไรส์ีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดนิดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงย้าหสำหรับการ์ดและจดหมาย สิลิทโพสโคดเอาไว้เปล่าค่าส่งไปรษณีไปอเมริการาคาเท่าไหร่วัดค่ส่งโปสต์ไปอเมริกาผ้สดุหนักเท่าไหร่บอช่งแอร์พาร์คนดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมแทนจะส่งนั่นด้วลูฟพอยส ใช้เวลานา น, านเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงวันวาที่อินเดนอมอร์ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนวนยลโฟนีตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนวแมส์ลโฟนบอกซ์คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะรู้จักรหั s โ r รศัพท์ของสรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ สายไม่ว่างตลอดเวลาน омер รถเป็นที่ติดต่อต i อดเวคุณต่อเบอร์อะไร k มายเลขไคุณคุณต้องกด0ก่อนคุอก่อน